ลักษณะของภิกษุผู้เป็นอธรรมวาที18อย่างพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าสารีบุตรเธอพึงรู้จักอธรรมวาทีภิกษุด้วยวัตถุ18ประการคือภิกษุในธรรมวิเนนนี้ 1. แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม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 เแสดงจริยาวัดที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 8. แสดงจริยาวัดที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้สิบเอ็ดแสดงอานาบัตว่าเป็นอาบัตสิบ um ส, ส, สองแสดงอาบัตว่าเป็นอานาบัตสิบสามแสดงอาบัตเบาว่าเป็นอาบัตหนักสิบสี่แสดงอาบัตหนักว่าเป็นอาบัตเบาสิบห้าแสดงอาบัตที่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือ 16. แสดงอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตที่มีส่วนเหลือ 17. แสดงอาบัตชั่วยาบว่าเป็นอาบัตที่ไม่ชั่วยาบ 18. แแสดงอาบัตไม่ชั่วยาบว่าเป็นอาบัตชั่วยาบสารีบุตรเธอพึงรู้จักอธรรมวาทีภิกษุด้วยวัตถุ18ประการนี้แหล